องนั้นร่วงไปองค์นี้ร่วงไปซึ่งมีแต่องสาคัญสาคัญทางกิตตภาวนาแทบทั้งสิน้นถามเวลานี้ยังมีองคใดบ้างที่สําคัญทางกิตตภาวนาปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลานตอบเรื่องเมตานั้นเมตตาแต่ไม่อาจบอกได้เพราะท่านไม่ใช่ปลาหน่าพอจะประกาศขายท่อตลาดนี่ถามก็เห็นท่านพูดกันอยู่ว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นดีทางนั้นองค์นั้นดีทางน้น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 สติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ด้อยลงและเสียไปอย่างยิ่งสุราเป็นสิ่งบรรทอนและทําลายมนุษย์สมบัติของมนุษย์และการงานของมนุษย์โดยท่ายเดียวคือเสียทซากก่อความทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกตำหนิตีเตียนกิริยามารยาทเรากลหาขี้เรื้อนที่ใครๆรังเกียจไม่สมควรแก่ปกติชนหญิงชายไม่รู้จักอายหน้าหนาหน้ า, นาชาหมดอย่างอายลดคุณค่ามนุษย์